สมภารวัดป่ามะม่วงพูดกับพระเทเจ้าผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นกษัตริย์นักรบ ด้วยวาจาที่แสดงถึงความชื่นชมว่ากล้าวกระผมรู้สึกยินดีเป็นที่สุดที่ได้มีโอกาสพบกับบคุคคลผู้เข้าถึงประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมกล้าวกระผมอยากทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ซึ่งคงจะไม่เหมือนกับที่ประวัติศาสตร์บันทึก ไว้การที่กล้าวกระผมได้พบกับพระองค์ณที่นี้ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์อันดีว่าสิ่งที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ไม่ถูกต้องกล้าวกระผมพูดเช่นนี้ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดประการใดพระเจ้าค่ะประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องหนึ่งความจริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่มีประวัติศาสตร์ชาติไหนที่จะถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกอย่างประวัติศาสตร์กรุงทนบุรีผิดเพี้ยนไปจากความจริงมากไม่มีผู้ใดรู้เรื่องนี้นอกจากเรากับสหายร่วมสาบานรัดตอบด้วยพระสุรเสียงกังวานหน้าฟังพระสหายร่วมสาบาน ภิกษุวัยห้าสิบเศษพึมพำรรเบาๆท่านกำลังจะกราบทูลถามว่าคือผู้ใดพระราชาผู้ทรงละความหลงในสงสารได้แล้วก็ตรัสขึ้นว่าท่านคงอยากรู้สินะว่าสหายรุ่มสาบานของเราคือใครข้าพระองค์อยากทราบพระเจ้าค่ะอยากทราบว่า จะเป็นบุคคลเดียวกับที่ข้าพระองค์คิดไว้หรือไม่สมภาวรวัยห้าสิบเศษกราบทูลเป็นคนเดียวกันเอาอย่างนี้นะท่านพูดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องใช้ราชาศับทื่อและโคดเป็นสิ่งสมมุติท่านอย่าไปยึดติดกับสิ่งสมมติเลยนะข้าพระองค์ต้องการจะรักษาโบราณราชประเพณีพระเจ้าค่ะ คือเหตุผลของท่านพระครูที่ท่านให้เหตุผลมาก็ดีหรอกนะแต่ท่านอย่าลืมว่าขณะนี้เราเป็นใครท่านเป็นใครเราทั้งสองมีความเท่าเทียมกันในทางธรรมมีอาจารย์องค์เดียวกันตัดความหลงในสงสารได้เหมือนกันถ้าท่านคิดว่าเราเป็นกษัตริย์และพูดกับเราด้วยคำราชาศัพท์ เราก็คงต้องพูดราชาศัพ์กับท่านเช่นกันเพราะในเจ็ดชาติที่ท่านระลึกได้นั้นท่านก็เคยเป็นราชามหากษัตริย์มิใช่หรือเราเองก็ระลึกชาติแต่หนหลังได้เจ็ดชาติเท่ากับท่านฉะนั้นเราสองคนจึงแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแล้วทำไมจะมาติดอยู่กับสิ่งสมมุติถ้าเช่นนั้นกระผม พูดธรรมดาก็ได้ขอรับท่านพระครูยอมจำนนต่อเหตุผลที่พระเทวะเจ้ากล่าวอ้างดีแล้วทีนี้อยากรู้อะไรก็ถามมาได้เรามีโอกาสดีแล้วที่ได้มาสนทนากันต่อหน้าครูบาอาจารย์และยังมีพระโบเฮียวผู้ซึ่งจะเป็นผู้เปิดเผยความจริงนี้ให้ชนรุ่นหลังรู้ เราไม่อยากให้มีการเข้าใจราชวงศ์จั ก, กรีผิดผิดทุกวันนี้มีคนจีนจำนวนมากที่ยังเชื่อว่าเราถูกสำเร็จโทษด้วยสหายร่วมสาบานของเราเป็นผู้บงการแสดงว่าที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าท่านถูกสำเร็จโทษ ด, ด้วยท่อนจันนั้นไม่เป็นความจริงใช่ไหมขอรับ พระเทระเจ้าตอบว่ามีการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันจริงเพียงแต่คนที่ถูกสำเร็จโทษไม่ใช่เราเป็นสหายอีกคนหนึ่งของเราที่เขามีความจงรักภักดีต่อเราถึงขนาดยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อรักษาชีวิตเราไว้บังเอิญว่าเขารูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับเรามาก ทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติสืบสายโลหิตกันเหตุใดท่านจึงถูกสำเร็จโทษที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าท่านสัญญาวิปราตก็ต้องไม่จริงเพราะถ้าจริงท่านจะตัดความหลงในสงสารไม่ได้การปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดจะต้องกระทำอย่างมีสติสัมปชัญญะผู้ขาดสติ ม่อาจบรรลุถึงจุดหมายได้เลยพระเทระเร้าอธิบายด้วยสิ่งเรียบๆว่าคนที่เคยทำอะไรอย่างหนึ่งเป็นปกตินิสัยแล้วจู่ๆก็เปลี่ยนไปทำในสิ่งที่ตรงข้ามคนเขาก็ต้องคิดว่าคนคนนั้นผิดปกติใช่ไหมเหมือนอย่างเราเราเคยถือดาบออกรบป้องกันบ้านเมืองกู้อิสรภาพให้กับชาติไทย ใครๆก็เห็นเราเป็นนักรบผู้เก่งกาจสามารถเป็นวียรบุรุษแล้วอยู่ๆเราก็วางดาบไม่จับดาบอีกเลยเอาแต่เจริญวิปัสสนาทายเดียวคนเขาก็เลยว่าเราบ้าเหตุใดท่านจึงเปลี่ยนไปทำในสิ่งตรงข้ามเราครับเพราะอาจารย์ที่ครรบของพวกเราน่ะสิอาจารย์ที่นั่งอยู่เบื้องหน้าเราทั้งสาม พระเถระเจ้าประนมมือไหว้หลวงพ่อในป่าแล้วจึงเล่าว่าวันหนึ่งเราตั้งค่ายอยู่ที่ในป่าตกดึกมีพระรูปหนึ่งเข้ามาถึงตัวเราเราก็ถามท่านว่าเข้ามาได้อย่างไรเพราะนั่นย่อมหมายถึงความปลอดภัยของเราเกิดผู้ที่เข้ามาเป็นฆ่าศึกเราก็อาจจะถูกฆ่าตายพระรูปนั้นตอบว่าเดินเข้ามา เราก็ถามอีกว่าทหารยามไม่เห็นท่านหรือท่านก็ตอบว่าไม่ทราบเราก็คิดว่าจะต้องลงโทษทหารผู้ทำหน้าที่เป็นเวรยามท่านก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องคิดแต่จะเพ่งโทษคนอื่นขอให้สำรวจตัวเองเพ่งโทษตัวเองดีกว่าเราก็รู้สึกแปลกๆว่าทำไมท่านจึงพูดอย่างนี้อยากจะโกรธแต่ก็ไม่กล้า แล้วท่านก็พูดให้เราสะเทือนใจว่ามหาบอบพิษฆ่าคนมามากมีมือเปื้อนเลือดบาปมากตายไปจะต้องตกนรกหากเป็นคนธรรมดาพูดเช่นนี้เราคงสั่งตัดหัวไปแล้วแต่นี่เป็นพระพูดเราไม่กล้าแม้แต่จะคิดเราก็เรียนท่านว่าเราเป็นกษัตริย์มีหน้าที่ทําสมคลามปกป้องแผ่นดิน ท่านก็พูดว่าบัดนี้มหาบอพิษก็ได้ทำหน้าที่ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วการกู้ชาติเป็นหน้าที่ของมหาบอพิษแต่การทำสงครามปกป้องประเทศชาติมหาบอพิษควรยกให้ผู้อื่นมีคนที่เขาสามารถทำหน้าที่แทนมหาบอพิษได้จงอย่าจับดาบอีกเลยอตมา ขอวินทบาทดาบจากมหาบอพิษเราก็ถามท่านว่าเราจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรท่านก็ตอบว่าเพื่อตัดความหลงในสงสารหากมหาบอพิษครองราชสมบัติต่อไปก็จะไม่สามารถตัดความหลงในสงสารได้สงสารก็คือวัตตะสงสารหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิด ด้วยอำนาจกิเลสกรรมและวิบากหากมหาบอพิทไม่ตัดความหลงในสงสารก็จะต้องเวียนว่ายวกวนอยู่อย่างนี้ไม่มีจบสิน้นอาตมารู้ว่ามหาบอพิทสามารถตัดความหลงในสงสารได้จึงมาหาเราได้ให้กรรมฐานแก่พระยาตา เมื่อรับกรรมฐานจากเราแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนไม่ยอมจับดาบอีกไม่ยอมออกสงครามเอาแต่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคนที่ไม่เข้าใจก็เลยพากันคิดว่าเขาบ้าลุงพ่อในป่าพูดถึงสิทธิคนแรกที่ท่านให้กรรมฐานพระเทระเจ้าช่วยเสริมว่าเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้ว เราก็ขอให้ท่านพูดกับเราแบบอาจารย์กับสิทธิ์ไม่ใช่แบบพระมหากษัตริย์กับสามัญชนเพราะอะไรประวัติศาสตร์กรุงทนบุรีจึงถูกบันทึกให้ผิดไปจากความจริงมากมายอย่างนั้นขอรับท่านพระครูถาม <P ew ising> เพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติน่ะสิรู้ไหมว่าเราเป็นกษัตริย์ที่อาภัพที่สุด ในประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนเราขึ้นครองราชเงินในท้องพระคลังไม่มีเลยเราต้องเป็นหนี้ชาวจีนถึงหกหมื่นตำลึงซึ่งถ้าคิดเป็นเงินสมัยนี้ก็เท่ากับสองแส0สี่มื่นบาทสมัยก่อนเงินหกหมื่นตำลึงมีค่ามากถ้าเขาจะให้เราผ่อนใช้เราก็พอจะหามาผ่อนได้ แต่นี่เขาคิดจะยึดประเทศเราไปเป็นของเขาเขาจึงเร่งรัดจะเอาเงินจำนวนนี้ให้ได้เรากับสหายร่วมสาบานก็เลยต้องช่วยกันคิดว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรแล้วเราก็คิดออกว่าการลัดแผ่นดินเป็นการล้างหนี้ที่ดีที่สุดท่านอย่าคิดว่าเราตั้งใจโกงเขานะเราไม่คิดจะโกง แต่ในเมื่อเขาคิดไม่ดีกับเราเราจึงต้องใช้เล่กลกับเขาอีกประการหนึ่งตั้งแต่เรารับกรรมฐานจากลุงพ่อในป่าเราก็ไม่มีแก่ใจที่จะครองราชต่อไปอีกแล้วเราอยากตัดความหลงในสงสารให้เด็ดขาดเราสมเพศตัวเองที่เป็นกษัตริย์ยากจนเข็นใจเป็นกษัตริย์พระองค์เดียว ที่ไม่มีเบญจราชกกุัฐฑนเบญจราชกกุัฐฑนคืออะไรขอรับพระบูเหียวเพิ่งจะได้โอกาสถามท่านพระครูตอบแทนพระเทวะว่าคือเครื่องหมายความเป็นพระราชามีห้าอย่างได้แก่พระขันทานพระกร่อุณหิตฉลองพระบาทและ ว่าละวิช น, นีที่หลวงพ่อกล่าวมาผมไม่รู้จักเลยสักอย่างเดียวถ้าจะรู้จักอย่างเดียวก็เห็นจะเป็นพระขันนอกนั้นไม่รู้จักพระบุญเฮียวพูดซื่อแม้จะตัดความหลงในสงสารได้แล้วท่านก็ยังพูดเฉยอันเป็นวาสนาคือความเคยชินของท่านหลวงพ่อในป่าพูดว่า ที่เธอไม่รู้จักเพราะเธอไม่เคยเกิดเป็นพระราชาไม่เหมือนลูกศิษย์สองคนของเราที่เขารู้จักเพราะในอดีตชาติเคยมีสิ่งเหล่านี้ครับลุงพ่อผมมันคนไม่มีบุญวาสนาเกิดมาอาภัพอับโชคพระบเฮิเยว ท, ทําทีเป็นน้อยใจถ้าอาภัพอับโชคจริง เธอก็จะมา น, นั่งตรงนี้ไม่ได้หรอกคนที่เข้าถึงจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นคนโชคดีที่สุดขอรับโชคดีที่สุดก็ดีที่สุดกระผมอยากฟังท่านเล่าเรื่องเมืองทนบุรีต่อขอรับพระบูเหียวพูดกับพระเทระเจ้าผู้ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวของกรุงทนบุรี เพราะไม่มีเป็นจากกุฏธพันนี้เองพระยามหานุภาพจึงเขียนสดุดเราไว้ในนิราชกวางตุ้งว่าชะรอยอัธบุรุษอุดมวงในสิบองค์โพธิสัตว์ดุสิตสวรรค์ได้รัทยาเพศไทยทำนายพันในอนันต์สำนักชิเนรนาน จึงดลใจให้พระองค์ทรงนั่งบันลังรัดรสพระธรรมกรรมฐานให้ทรงเครื่องนพรัชัชวานพระชมชานแทนเบญจกกขุฑพันเอาพระไตรลักษ์ทรงเป็นมงกุฎพระงามสุดยอดฟ้าสุดทาสวรรค์เอาพระศีลสุดจริต ในกิจกันเป็นสุวรรณนวรัตสังวานเอาพระมุติทันเป็นคันฉัดเอาพระสัตว์จะเป็นระบยไพศาลล้วนเครื่องศิลวัตอันชัชวานพระอุเบกขาญาณเป็นทานก่อนแต่กระผมชอบจารึกในสารพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวรารามที่แสดงให้เห็นปณิธานอันแน่วแน่ของท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาบเหี่ยวเธออยากรู้ไม่ว่าจารึกมีว่าอย่างไรท่านพระครูถามพระบุหิเยวอยากครับลุงพาะพมไม่เคยไปวัดอรุณจึงไม่เคยเห็นจารึกนั้นแต่พมก็อยากรู้ว่าปณิธานอันแน่วแน่เป็นอย่างไร ลุงพ่อพอจะจำได้หรือเปล่าครับหากจำได้กรุณาถ่ายทอดให้ผมฟังด้วยจกเป็นพระคุณยิ่งพระบุเยียวพยายามใช้สำนวนที่ท่านคิดว่าเก๋ที่สุดได้สิฉ่านจำได้ขึ้นใจเลยทีเดียวรู้สึกซาบซึ้งจนน้ำตาไหลตอนที่อ่านครั้งแรกเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว แต่ผมคงน้ําตาไหลไม่ได้นะครับหากเป็นเมื่อก่อนคงได้แต่พอตัดความหลงในสงสารได้กดน้ําตาไหลไม่ได้อีกต่อไปถึงหลวงพ่อก็เหมือนกันน้ําตาไหลไม่ได้แล้วนะครับแต่เกิดธรรมสังเวทได้รู้สึกว่าเธอจะเก่งขึ้นมากนะพูดจาหน้าฟังและกดถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาทุกอย่าง สมกับที่เป็นผู้ตัดความหลงในสงสารเสด็ได้ท่านพระครูชมสิทธิ์ที่กลับกลายมาเป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์เดียวกันครับผมดีใจที่ทำเช่นนั้นได้ชาติภพบจบสิ้นลงแล้วสำหรับผมไม่เช่นนั้นผมจะต้องไปตกนรกหมกไหมอีกนานแสนนานเพื่อใช้กรรมที่ข้าวัวข่าควายพ้นจากนารกแล้ว ก็ยังต้องเสวยผลของเศษกรรมด้วยการไปเกิดเป็นวัวเป็นควายให้เขาค่ะหากไม่ได้ลุงพอ่อกับลุงพ่อใหญ่ช่วยไว้ผมคงไม่มีโอกาสได้มานั่งนาทีนี้พระหนุ่มพูดอย่างาซาบซึ้งในความกรุณาของพระเทระทั้งสองท่านเรียกลุมพ่อดาว่าลุมพ่อใหญ่พร้อมที่จะฟังหรื อ, อยังท่านพระครูถาม เมื่อเห็นว่าสิทธิสาทยายืดยาวเกินความจำเป็นพร้อมแล้วครับผมจะกำหนดจิตฟังลุมหอคอยดูนะครับผมจะจำได้ทุกถอยคำเลยทีเดียวฉันเชื่อว่าเธอทำได้เอาละ่ะจารึกในสารพระเจ้าตากศินมหาราชวัดอรุณราชวรารามมีดังนี้อันตัวพ่อ ชื่อว่าพระยาตากทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วนห้าพันปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม เจริญสมถะวิปัสนาหน้าชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรราพระศาสดา ฝากไว้ให้คู่กันเมื่อท่านพระครูพูดจบจึงบอกให้พระบูเหียวพูดบ้างผลปรากฏว่าพระบูเหียวสามารถจำได้ทุกถ้อยคำท่านจึงพูดกับสิทธิ์ว่าบูเหียวเธอพอจะรู้ไหมว่าเหตุใดความจำของเธอถึงดีขึ้นเพียงฉันพูดครั้งเดียวเธอก็จำได้หมดเมื่อก่อน เธอไม่ได้เป็นอย่างนี้ท่านหลีกเลี่ยงประโยคที่ว่าเมื่อก่อนเธอไม่ฉลาดอย่างนี้เหตุที่ความจำของผมดีก็เพราะปัญญาของผมได้รับการพัฒนาครับกรรมฐานทำให้คนเกิดปัญญาผมยังจำได้ที่หลวงพ่อสอนว่าการปฏิบัติกรรมฐานต้องให้ได้รับอนิสงส์สามอย่างคือระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรม และเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ผมได้อ น, นิสงค์ครบทั้งสามข้อแล้วความจำของผมจึงดีเมื่อก่อนความจำไม่ดีเพราะยังไม่ได้รู้จักลุงพ่อและลุงพ่อใหญ่ผมต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งลุงพ่อและลุงพ่อใหญ่เป็นอย่างสูงท่านคุกเข่ากราบลุงพ่อในป่าและท่านพระครูสามครั้งท่านพระครูพูดกับพระเถระเจ้า ผู้เคยกอบกู้ชาติประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อพมา่าว่ากระผมอยากทราบความจริงอีกอย่างหนึ่งขอรับไม่ทราบว่าจะเป็นการละลาบละล้วงเกินไปหรือไม่อยากทราบจริงๆขอรับท่านอยากทราบเรื่องอะไรละ่ะบอกมาเถอะเราไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังอีกต่อไป พระเถระเจ้าพูดด้วยเมตตาคืออย่างนี้ขอรับเมื่อปี2515กระผมได้มีโอกาสไปร่วมประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่ประเทศสีลังกากระผมได้พบกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีท่านมาในกายทิพย์พอกระผมทราบว่าท่านเป็นใคร จึงกราบเรียนถามถึงชาติกำเนิดของท่านเพราะกระผมสงสัยว่าที่วัดวัดหนึ่งมีรูปหล่อโยมพ่อโยมแม่ของท่านไม่น่าจะตรงกับความเป็นจริงแล้วสมเด็จท่านว่าอย่างไรท่านบอกว่าท่านเป็นลูกแม่ทับคือกระผมเรียนถามท่านว่าท่านเป็นลูกกษัตริย์ใช่หรือไม่ ท่านตอบว่าไม่ใช่ท่านเป็นลูกแม่ทัพกระผมก็สรุปเอาเองว่าแม่ทัพที่สมเด็จพูดถึงก็คือสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกแม่ทัพใหญ่สมัยกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงและต่อมาคือรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จั ก, กรีเราเป็นคนขอร้องให้สหายร่วมสาบานของเราทำพิธีปราบดาพิเศษ พิธีปรับดาพิเศษเป็นอย่างไรขอรับผู้ถามคือพระโมญเหียวพระเถระเจ้าตอบว่าเป็นพระราชพิธีอภิเศกของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งได้ราชาสมบัติมาด้วยการรบชนะข้าศึกไม่ใช่ได้มาจากการสืบราชาสันตติวงศ์พระเถระเจ้าเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสมเด็จพระพุทธจารย์ว่า เราให้สหายร่วมสบานของเราไปตรวจตราบริเวณชายแดนไทยพมา่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันหนึ่งเขาผ่านกระท่อมหลังหนึ่งรู้สึกกระหายน้ำจึงเข้าไปขอน้ำดื่มนางสาวงุดนำน้ำโอยเกสรบัวมาเต็มขันทำให้ดื่มยากจึงถามว่าทำไมต้องแกล้งกันด้วยนางสาวงุดตอบว่า ท่านกำลังกระหายหากลพลีแผลดื่มเข้าไปจะทำให้จุกการลอยเกสรบัวลงไปจะทำให้ท่านค่อยๆดื่มจนอิ่มและไม่เกิดอาการจุกเมื่อสหายรุวมสาบานของเราได้ฟังก็พอใจในความฉลาดรอบครอบของนางจึงถอดแหวนให้และขอแต่งงานหลังจากนั้นเขาก็กลับกรุงธนบุรีและไม่ทราบว่า นางงุดตั้งคันลูกของนางงุดก็คือสมเด็จพระพุทธาจาย์ที่ท่านพูดถึงนี่แหละท่านพระครูจึงพูดออกตัวว่าที่กระผมกลด น, นำเรื่องของสมเด็จเพราะกระผมอยากทราบประวัติความเป็นมาของท่านประวัติศาสต์บันทึกไว้ว่าท่านเป็นลูกคนจีนบิดาชื่อนายไห่หองมารดา ชื่อนางนกเอี้ยงกระผมสงสัยว่าจะไม่ตรงกับความจริงขอรับ